วิธีให้วุฒานสมมุติและกรรมวาจาให้วุฒานสมมุติกุมารีมีอายุ20ปีผู้ได้ศึกษาสิขาในธรรมุข้อตลอดสองปีแล้วนั้นพึงเข้าไปหาสงค์อมอุตราสงค์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุณีทั้งหลายแล้วนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันชื่อนี้เป็นกุมารีของแม่เจ้าชื่อนี้ มีอายุครบ20ปีได้ศึกษาในธรรม6ข้อตลอด2ปีขอวุธฐานสมมุติต่อสง์พึงขอแม่ครั้งที่สองพึงขอแม่ครั้งที่สาิกษชณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงส์ทราบด้วยยติพุติยกรรมวาจาว่า 1,131 แม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้ากุมารีชื่อนี้ของแม่เจ้าชื่อนี้ มีอายุครบ20ปีได้ศึกษาสิกขาในธรรม6ข้อตลอด2ปีขอวุฒธธานสมมติต่อสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมแล้วพึ่งให้วุฒธธานสมมติแก่กุมารีชื่อนี้ผู้มีอายุครบ20ปีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรม6ข้อตลอด2ปีนี่เป็นยติแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้ากุมารีชื่อนี้ของแม่เจ้าชื่อนี้มีอายุครบ20ปี ได้ศึกษาศิกขาในธรรมัข้อตลอด2ปีแล้วขอวุฒานาสมมุติต่อสงฆ์สงให้วุฒานาสมมุติแก่กุมารีชื่อนี้ผู้มีอายุครบ20ปีผู้ได้ศึกษาศิกขาในธรรมวข้อตลอด2ปีแล้วแม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการให้วุฒานาสมุติแก่กุมารีชื่อนี้ผู้มีอายุครบ20ปีผู้ได้ศึกษาศิกขาในธรรมวข้อตลอด2ปีแล้วแม่เจ้ารูปนั้นพุงนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วย แม่เจ้ารูปนั้นพึงทักทวงพุทธานสมมติสงให้แล้วแก่กุมารีชื่อนี้มีอายุครบ20สปีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหข้อตลอดสองปีแล้วทรงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้พระผู้มีพระภาคครั้นทรงตำหนิภิกษุณีเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วตรัสโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยาก แล้วรับสั่งให้ผึกซีนีทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้